ท่านสาธุ 18 ธันวาคมต่อไปเพราะ 20 ธันวาคม 2551 เอ่อพูด นางฟ้าประทูเธอก็ทราบทามถึงเรื่องรัชชะเทราชะ เพราะว่าเป็นนางฟ้าตัว <c oughs> แล้วก็สงสัยไปเราก็หิวนําเข้าตอกที่ไม่มีน้ําก็ทิไปเพื่อ เข้าสมาบัติหลายวันออกก็ไม่เป็นตามเวลาที่เขาไปดําบัดกันอายสายไปไป สาวกองค์สําคัญขององค์สมเด็จพระปฏิบัติเก้า การจริงไม่ตั้งใจจะเบียดบินต้องดูก่อนว่าถ้าเค้าให้แล้วเค้าเดือดร้อนมั้ยก็ทราบว่าการให้แล้วเรื่องอาหารเค้าไม่เดือดร้อนแต่ท่านจะทราบหรือเปล่าว่าให้แล้วถึงจะ เมื่อเหาะมาในอากาศใกล้จะถึงก็ลงเดินเหาะให้ชาวบ้านเห็นไม่ได้เป็นการแสดงปฏิหาริย์คนจะติดห่อเมื่อเธอเห็นเข้าเธอก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนจนบางโอกาสที่เราเห็นพระแล้วก็ไม่มีของถวายไม่ได้ทําบุญกับเค้าบางโอกาสที่เรามี วันนี้เรามีเค้าตอกด้วยเรียกพระท่านก็มาด้วยขอถวายพระเถอะตอนสาย ตัวเล่าเธอก็เดินเข้าไปใกล้น้อมเข้าตอบก็ถวายพระเทศเธอเสร็จ เพิ่มแปลเป็นในความตามภาษาไทยว่าเธอปรารถนาสิ่งใดขอให้ พระบาทก็สบมายืนอยู่มันโฉก ก็ดีใจก็กระโดดลดเต้นสิงห์ตึบตับตึบตับตึบตับเจ้า ถึงกับกระโดดโลดเต้นก็เลยไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สถิตบรรโลกมีวิมานทอง ว่าอาการที่เห็นม่อของเธอดีเห็นเป็นตองของเธอก็ดีที่เป็นทองคําประดับเพชรห้อยรอบวิมานก็เพราะว่าเธอถวายสักการะทานหลายครั้งราชเทวีธิดาถวายครั้งเดียวก็มีรอบวิมานเหมือนกันเป็นของอัศจรรย์ในเมืองสวรรค์ต่อไปนี้ก็มา เธอขยับเข้ามานางฟ้าปราทูก็ถอย ถ้าฉันเป็นเทวดาอาจจะจําเธอได้เพราะเธอ <c oughs> และล้อเล่นนี้เกิดความสนุกและก็เคยเจริญพระกรรมฐานกับท่านแต่ <c oughs> แล้วก็ต่อมาเมื่อเอ่อข่าว ก็พอใช้ได้ตามสมควรแล้วก็เลยทําทํากรรมฐานด้วยมาจิตเป็นสุขความ เงาหมายความมาหาทางเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นองค์เห็นพระ เธอฉันก็ทำตามท่านปฏิบัติตามแบบง่ายๆฉัน <c oughs> ดอกแรกปวดท้องเจ็บท้องอืดอยู่ทุกวันการร่างกายเครียดขึ้นทุกวันไม่มี รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่าง รวมความว่าก็ตามเรื่อง ก็สุขอย่าบ่นเลยนะคนแก่มาที่ <c oughs> นางฟ้า 2 คนที่ที่พูดกัน เออแต่งกายทุกชุดแต่งเธอมีสีเหลืองทั้งนี้เพราะอะไรเธอบอกมาเดี๋ยวนี้เธอบอกว่าเพราะจิต ก็ถามเถิดว่ามีฝ่าสุคันธ์ขั้นไหนขั้นชานโลกีหรือเธอตอบว่าไม่ใช่ถาม ให้ตอบว่าไม่บอกตะวันออกก็ได้ให้ลองเล่งกับนางฟ้าดูถามว่า <c oughs> ที่ท่านเป็นหมอดูคนชอบหมอดูเวลานี้ใครเป็นหมอดูๆมีอะไรเกิดขึ้น อย่างพระท่านก็แก่แล้วคนที่ถูกแนะนำก็แก่แล้วไม่ใช่กามารมณ์เพราะพระท่านก็ รู้สึกขอบคุณท่านที่ช่วยกันเจริญโรงพุทธศาสนาใน เพิ่มบรรดาศักดิ์ของนางฟ้าชั้นยมณีใสขาวเป็นแก้วแพรวพราวทั้งเธอก็เร่งเข้ามาวิญญาณของเธอเร่งมาวิมัยของเธอ แต่ที่หมายของเธอมีวิมานแถมวิมานหลังใหญ่ก็มีเป็นวิมานหลังย่อมๆได้ 2 หลังคล้ายๆสถาน การใช้ธิกุญานดูนี่มีประโยชน์มากเพราะตอนเช้าก็ต้องคุมอารมณ์ของนิพพานไม่ เมื่อข้าพเจ้าบำเพ็ญสิ่งที่จรรประจําอยู่ก็คือพระพุทธเจ้ากับครูบาอาจารย์กับเทวดาทั้งองค์ทั้งหลายที่ท่านเมตตากรุงความว่าจิตเป็นสมาธิเป็นพุทธานุปฏิด้วยสังฆานุปฏิ <c oughs> รายกฎมองแล้วเมื่อถังตักน้ําถ้าถัง ทางนั้นก็เลยมาห้อยรอบๆวิมัยของฉันถามว่าเธอถวายพระธรรมานแบบถังๆนี่กี่ครั้งมันยิ่งมากมายแบบนี้แต่ถังเวลานั้นสวยมากไม่เหมือนถังที่เขาคิ้วถวายพระธรรมานทาง แผ่นนี้ทุกอย่างเป็นๆไม่ 10 ครั้งเฉพาะสังฆทาน 100 บาทยัง 500 บาท เงิน 500 บาทมันก็หาได้ยากแต่เวลาใครก็มา นอกจากนั้นก็ทําบุญหมดก็คิดว่า พอฉันได้ทิพกุญญาณฝึกได้แล้วก็มาที่นี่ได้อาศัยมโนยิทธิมาที่นี่ 4,000 คนเป็น แต่บอกให้ดูบริวารเค้าเถิดแลก็เห็นทุกคนหน้าสงบ บริวารทุกคนต่างคนต่างจะดีกว่าเรานั่งขี่บนตอม้าได้ถือก็โคตรเริ่ดเธอบอกว่ามันเป็นระเบียบของสวรรค์ในเมื่อมาเห็นก็เห็นบริวารเต็มแล้วก็ถามว่า เธอก็ตอบว่าบริวารพวกนี้เป็นคนที่เคยเจริญสมาธิเคยให้ทานเคย รวมความอบุนบารมีของเธอบรรดาท่านผู้ฟังรู้สึกว่าของเธอมีประโยชน์อารมณ์เป็นสุขก็ถามว่าเวลา ซึ่งมีนางยักษิณีคุมอยู่ข้างหลังแต่ความจริงเค้า ก่อนที่จะมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาจริงๆก่อนจริงพ่อแม่ก็เป็นคนของพระพุทธศาสนานับ พระบางองค์บางทีท่านน้อยๆกาเมสุมิจฉาจารขอผ่านไป ถามเธอว่าก่อนมีสามีมีสามีพิเศษหรือเปล่าเธอยิ้มเธอถามว่าถามทําไมก็อยากจะทราบรูปร่างหน้าตาสะสวยแบบนี้มันน่า แต่ทําอย่างอื่นทํานี่เครื่องคัดมากคนนี้เก่งจริงหรือเปล่าพุทธศักดิ์อ้าวเนี่ยครูกับนางฟ้าก็ต้องจริงสินะคือเรื่อง แต่ปรามอาจนักบวชที่ไม่เคารพในพุทธศาสนาเอาโคแล้วเอาโค อย่างนี้คือ 3 รัตนะแก้ว 3 ดวงแก้วจริงๆไม่มีเสียเป็นของดีมากมีแต่ความ แกก็นินทาว่าทำไมทำบุญทำไมต้องไปทำวัดนั้นต้องไปทำวัน ตอนนี้แก่นเป็นหมอดูแกก็เป่าว่าอาการของประชาชนว่าจะไปเชื่ออีนี่มันหลอกลวงมัน ถ้าเค้าให้รับไม่มีการกะเกณฑ์คนไม่มีตังค์ให้ก็ไม่เป็น 5 ข้อทุกคนเมื่อนําดอกไม้ธูปเทียนมาแล้วต้อง และบรรดา 20 วินาทีที่ตั้ง